สัตว์ชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้คนนะสัตว์ชนิดนั้นก็คือลิงนะมันมีวิธีจับลิงหลายวิธีแต่มีวิธีหนึ่งที่จับลิงโดยที่ไม่ค่อยบอบช้าเท่าไหร่นะไม่เหมือนการใช้จันเป็นวิธีง่ายๆนะนั่นคือใช้มะพร้าวและ ว, วิธีนี้เนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาที่ เรียกว่ามีอยู่ทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยหรือเพื่อนบ้านหลายประเทศเนี่ยไปจนถึงอเมริกาใต้เนี่ยคนก็รู้จักวิธีนี้นะใช้มะพร้าวดักลิงมันเป็นวิธีที่ง่ายๆนะแต่ว่าได้ผลดีมากอย่างน้อยกับลิงในป่านะคือเขาจะ เจาะหัวมะพร้าวเนี่ยให้เป็นรูเล็กๆเล็กกว่ากำปั้นของลิงแต่ว่าใหญ่พอที่จะลิงเนี่ยจะสอดมือเข้าไปได้แล้วก็ตรงก้นมะพร้าวนี่เขาก็จะเจาะแล้วก็ผูกเชือกเอาไว้เพื่อยึดกับต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องแข็งแรงนะแล้วก็ในกลามะพร้าวเนี่ย หลังจากที่เขาเจาะรูตรงหัวมะพร้าวแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เหยืออาจจะเป็นฝรั่งหรือว่าไข่ต้มนะหรือว่าตะขบพวกนี้เนี่ยมันจะส่งกลิ่นนะซึ่งล่อให้ลิงเนี่ยเข้ามาโดยเพราะฝรั่งเนี่ยที่ยังไม่ถึงกับสุกมากเนี่ยลูกเล็กๆ ลิงพอมันเจอมาพร้ามันก็จะมือสอดเข้าไปเพื่อหยิบไข่ก็ดีฝรังก็ดีตะขบก็ดีการที่จะหยิบได้มันก็ต้องกำนะแล้วพอมันจะดึงมือออกมามันก็ดึงไม่ได้เพราะว่ากำปั้นเนี่ยมันใหญ่กว่ารูมันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่หลุดนะ แล้วก็มันดึงอย่างนี้เป็นวันนะเป็นคืนเลยมันดึงแล้วดึงอีกแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงมือเนี่ยหลุดจากมะพร้าวได้ทำอย่างนี้สักวันหรือสองวันเนี่ยนะมันก็หมดแรงนละบางทีแค่วันเดียวเนี่ยมันก็หมดแรงแนละ้วเพราะมันดึงทั้งวันทั้งคืนเลยสุดท้ายเนี่ยคนก็จับมันอย่างละม่อมนะ โดยใช้แหเนี่ยแหาคลุมมันนะมันไม่มีแรงสู้นะเพราะว่ามันมันหมดแ้วไปกับการดึงมือเนี่ยออกจากมะพร้าวทจริงเนี่ยมันมีวิธีที่จะเอามือหลุดจากมะพร้าวได้นะง่ายมากเลยนะคือแบมือถ้ามันคลายกำมือนะหรือแบมือออกเนี่ย มือมันก็จะหลุดจากมะพร้าวได้แต่มันไม่ทำอย่างนั้นนะไม่มีลิงตัวไหนทำอย่างนั้นเลยก็กำอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ถูกคนจับได้แต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้จับมันไปฆ่านะอาจจะเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปสวนสัต์ น้อยนะที่จะเอามันไปฆ่าอย่างที่บอกนะว่าเนี่ยลิงเนี่ยถ้ามันเพียงแค่คลายมือออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลุดจากกับดักมาพราวได้แต่มันไม่ทำนะเพราะมันมันห่วงนะมันห่วงหรือว่ามันมันมีความยากในสิ่งที่มันกรรมเอาไว้ ของอร่อยเน่ยนะตขบก็ดีฝรังก็ดีหรือว่าไข่ก็ดีนความอยากความโลภทำให้มันเนี่ยไม่ยอมคลายไม่ยอมสละสิ่งนั้นออกไปจากมือของมันแล้วมันก็ต้องน ะ, ะรับผลนะของการที่ก ร, รมเอาไว้แน่นเนี่ยก็คือถูกจับ เสียสละภาพบางกีเราฟังเรื่องนี้เราก็อดขำไม่ได้นะว่าเนี่ยมันมันโง่นะวิธีที่มันจะหลุดเป็นอิสระมันไม่ยากเลยแค่คลายมือออกแต่มันไม่ทําแต่ที่จริงจะว่าหรือจะดูถูกมันก็ไม่ได้นะเพราะคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กำสิ่งของด้วยมือนะแต่เราเราไป กมหรือยึดเอาไว้ด้วยใจและเพราะว่าเราหรือมนุษย์เราเนี่ยไปยึดไปกรรมมันเอาไว้แน่นด้วยใจของตัวเนี่ยไม่รู้จักปล่อยจึงมีชะตากรกรมไม่ต่างจากกลิงนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่คนจับได้นะแต่ว่าเป็นความทุกข์นะที่มันกุ้มลุม ผู้คนที่กำรรเอาไว้แน่นในใจที่จริงคนเราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือพ้นเงื้อมือของความทุกข์ได้นะถ้าเพียงแต่คลายปล่อยวางสิ่งที่เคยกำรรเอาไว้แต่คนเราส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นนะเรากำรรหรือเรายึด เราถืออะไรบ้างนะก็อาจจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องใช้ตำแหน่งเกียรติยดชื่อเสียงหรือไม่แังความสวยงามของหรือความแข็งแรงของร่างกายทั้งที่บางทีภายมาถึงตัวนะอย่างเช่นลิงเนี่ยมันเห็นคนมานะมันก็รู้แล้วนะว่ามันกำลังจะถูกจับ มันก็ดิ้นมันก็ร้องแต่มันไม่ยอมคลายมือออก <c oughs> คนเราก็เหมือนกันนะทั้งที่ทุกมาถึงตัวหรือว่าทุกกาลังครอบงําแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมปล่อยนะสิ่งที่ยึดเอาไว้อย่างเช่นบางคนเนี่ยพูนเนี่ยมันตกราคาตกนะแต่ไม่ยอมปล่อยนะยังกอดเอาไว้จนกระทั่งมันดิ่งลงเหวกลายเป็น อ่าเศษนะเศษทุนหลายคนเนี่ยก่อทุนเอาไว้จนกระทั่งล้มละลายไปเลยทั้งที่เท่าเค้าเพียงแต่ปล่อยนะพุ่นมันเริ่มราคาตกก็ปล่อยขายอาจจะขาดทุนแต่ก็อาจจะขาดทุนไม่มากเมื่อเทียบกับก่อทุนเอาไว้จนกระทั่งมันมีราคาแค่ไม่กี่สตังค์นะก็เรียกว่า ล้มละลายนะยับเยินเลยแล้วบางทีก็เตอนนั้นยังไม่พอแล้วยังเสียตรงเสียได้แมมันกลายเป็นเศษขยะไปแล้วก็ยังคิดถึงมันนึกถึงสมบัติที่สูญเสียต้องขายรถขายบ้านเพราะว่าพุ้นตกก็ยังกอดเอาไว้นะยังนึกถึงยังห่วงยังเสียดาย ทรัพย์สมบัติที่ขายไปกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับเป็นบ้าบางคนก็ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนี่เพราะใจมันไม่ยอมปล่อยนะตอนนั้นที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ยังยึดเอาไว้ในแง่นี้เนี่ยถ้าแล้วถ้าว่าไปมันก็แยกกว่าลิง น, นะเพราะสิ่งที่ลิงกัมเนี่ยมาเป็นคือสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นปัจจุบันนะ แต่สิ่งที่คนผู้คนยึดเนี่ยบ่อยครั้งมันกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางและที่แย่กว่า น, นั้นนะคือว่าไอ้สิ่งที่คนเรายึดเนี่ยหรือกรรมเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเงินทองบ้าน ที่ดินคนรักตำแหน่งหน้าที่พวกนี้หรือแม้ทั้งร่างกายมันก็อย่างน้อยมันก็ให้ความสุขกับเราการที่จะยึดมันเอาไว้กรรมมันเอาไว้เนี่ยมันก็ยังพอมีเหตุผลนะแต่บ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เากรรมเนี่ยมันทำความทุกข์ให้กับเรา เช่นความโกรธความแค้นความเศร้าหรือคนที่ทำความเจ็บปวดให้กับเราคนที่หักหลังคนที่ทรยศเราทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่น่ายึดไม่น่าถือเลยนะหรือไม่น่าแบกเอาไว้ในใจนะแต่ว่าคนเราก็ทำอย่างนั้นนะไอ้ลิงเนี่ยเนี่ยมันกรร กรรมตะขบกรรมฝรั่งเนี่ยมันก็ยังมีเหตุผลนะเพราะว่าเป็นของดีอร่อยแต่ว่าการที่เราไปยึดไปกรรมไปถือไปแบกสิ่งที่มันทําความทุกข์ให้กับเราไม่จเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่จะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่ทําร้ายเราหรือความทรงจําที่เจ็บปวดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะยึดเลยนะเหมือนกับไปกรรมทองไอ้เหมือนกับไป ก, ก, ก, กรรมฐานเอาไว้เนี่ย กรรมทองนี่ยังดีกว่านะแต่ว่าไอ้กรรมฐานนี่มันมันไม่มีดีตรงไหนแต่คนก็กรรมนะแล้วก็ทุกข์แล้วก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวฉันทนไม่ไหวแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยสักทีแค่วางแค่ปล่อยมันก็หายทุกข์แต่คนเราก็กลับไม่ทําอย่างนั้น มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอก็อยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งมาสิบกว่าปีแล้วก็มีความสุขนะเพราะว่าเธอก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักเธอมีใจให้เธอแล้วเธอถึงกับคิดว่าเนี่ยคงอยู่ได้ยานถ้าไม่มีเขาเนี่ยแต่ละวันก็พบว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นนะ ไม่ได้มีใจให้กับเธอเธอรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ขับแค้นมากรู้สึกว่าเขาทรยศเธอนะจากเดิมที่เรียกเขาว่าคุณหรือเธอนี่ก็กลายเป็นกูมึงเลยสุดท้ายก็แยกทางจากกันแต่แม้แยกทางกันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปจากจิตใจของเธอเลยนะ เพราะว่าเธอก็หวนคิดถึงผู้ชายคนนี้คิดถึงทีไรก็โกรธแค้นรุ่มร้อนจงทั้งต้องเข้าหาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ก่อนก็เธอก็ปฏิบัติธรรมนะอยู่เป็นครั้งคราวนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยแค่วันแรกที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติทำสมาธิเนี่ย มันไม่พบกับความสงบเย็นเหมือนเคยเลยมันมีความรุ่มร้อนเดินรงกรมก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วมันก็รุ่มร้อนวันที่สองก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะรุ่มร้อนมากพ่อคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นวันที่สามก็เหมือนเดิม แต่มีช่วงหนึ่งนะเธอเดินจงกรมแล้วก็ลองที่เดินจงกรก็เอามือประสานไว้ที่ประสานมือไว้ข้างหน้าเดินได้สักชั่วโมงรู้สึกเมื่อยเมื่อยมือที่ประสานเอาไว้เธอก็เลยปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดความสบายกายแล้วมันสบายใจด้วยเพราะตอนนั้นเธอได้ ตระหนักเลยว่าเนี่ยไอ้ที่เมื่อยเนี่ยก็เพราะถือที่ทุกข์ก็เพราะแบกพอปล่อยนะปล่อยมือสบายกายเธอก็รู้เลยนะว่าถ้าอยากสบายใจก็ต้องปล่อยด้วยตอนนี้นที่เธอได้รู้ว่าเนี่ยที่เธอทุกข์เนี่ยนะรุ่มร้อนก็เพไปนึกถึงผู้ชายคนนั้น เก็บเข้าไว้ในใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่พอปล่อยเข้าไปจากใจนะโอ้มันโล่งมันมันสบายเลยเธอได้คิดเลยนะว่าเออปล่อยเมื่อไหร่แล้วก็หายทุกมันนั้นเธอไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่เธอทุกเนี่ยรุ่มร้อนมาตลอดหลายวันเนี่ยรวมโดยเฉพาะสามันที่เธอเดินจงกรม ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเพราะว่าไปไปแบกไปถือหรือไปคุ้นคิดหมกบุ่ญกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่นึกแล้วเนี่ยทุกข์นะนึกแล้วก็ร้อนนะแต่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวมารู้ตัวก็ตอนที่ปล่อยมือแล้วมันสบายก็เลยได้เห็นใจของตัวเองนะว่า ไอ้ที่เราทุกข์เพราะเราไปแบกเอาไว้ตรงนั้นเองเนะมันทําให้เธอได้ปล่อยชายคนนั้นออกไปจากใจแล้วก็รู้สึกถึงความโปร่งความเบาแล้วเธอก็พบว่าจริงๆเนี่ยมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชายคนนั้นนะชายคนนั้นมันไปก่าช่วงเธอแล้วเนี่ยแต่ที่เธอทุกข์เพราะเธอไปแบกเข า, เาไว้แล้วที่แบกเขาไปแบกเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัว พอรู้ตัวเมื่อไหร่นะว่าแบกนะมันวางเลยนั่นก็แปละนะคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยถั้งที่ทุกข์มากหรือเกินแต่ว่าไม่รู้ตัวนะแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่มันวางเลยเพราะเนี่ยการในขณที่เราตระหนักว่าความการแบกเนี่ยมันทําให้ทุกข์แล้วที่เราแบกเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัว มันก็ไม่ต่างจากลิงนะที่มันกำถั่วกำตะขบ ก, กำฝรังเนี่ยตอนนั้นมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะแต่ด้วยความอยากเนี่ยมันทำให้มันกำไว้แน่นเลยแต่พอรู้ตัวเมื่อไหรนะ่เนี่ยคนเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะรู้ตัวได้พอรู้เมื่อไหร่มันวาง เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อมาฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวโดยมีส ต, ติเป็นตัวเกื้อหนุนจุดหมายเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เกิดความสงบเพราะเราสงบได้ชั่วคราวเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะ แล้มีสิ่งมารบกวนเราก็ไบไปยิดไ่แบกมันตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยว่าเราเนี่ยให้โอกาสตัวเองเนี่ยมามาพักใจมาได้สัมผัสกับความสงบแล้วเมื่อเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรจะอนุญาตให้ ความคิดต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยอมอนุญาตให้อารมณ์หลายอย่างมันเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นความหงุดหงิดอาจจะเป็นความเหงาความง่วงความเบือ่อนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่ยอมไม่อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นทีไรก็พยายามไปไล่ดีมัน เพราะว่ามันไเข้าใจมันมารบกวนความสงบในจิตใจมันเป็นตัวไขขวางความสงบถ้าเราไม่อนุญาตให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นนะไอการที่เราจะสร้างความรู้สึกตัวหรือว่าพัฒนาสติให้ไวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก น, นะและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่เราต้องการนะ อยากได้ความสงบแต่กับเครียดอยากได้ความเบาแต่กับหนักอึง้งเพราะไปคอยไล่บี้นะความคิดไปพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อชาเนะเนี่ยเวลานั่งสมาธิจิตมันฟุ้งมันเตลดิดทํำยังไงภาวนาจิตถึงจิตถึงจะสงบอันนี้ก็เป็นคําถามของหลายคนนะหละวงพ่อชัดตอบว่าไงท่านตอบว่า มันต่อเลอก็ช่างมันเดี๋ยวมันเหนือมันก็หยุดคิดไปเองคือท่านไม่แนะนำให้ไปทำอะไรกับไอ้ความคิดหรือว่าไม่ไม่ให้ไปทำอะไรกับจิตไปควบคุมจิตไม่ให้คิดต่เอเลยก็ช่างมันก็คือว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้เ น, นี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำนะ ก็คือว่ า, อายอมเหลืออนุญาตให้ความที่และรมณ์ต่างเกิดขึ้นได้อย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดและสิ่งที่เราควรทำประการต่อมานะก็คือให้โอกาสแก่สติได้ทำงาน <_ Server> <CU> เวลาเราใจลอยคิดฟุ่งปรุงแต่งไปต่างๆนานานะบางทีมันคิดไป 8-9 เเรื่องเนี่ย กว่าจะรู้เนื้อรู้ตัวกว่าจ ะ, าจะมีสติเห็นความคิดหลายคนรู้สึกว่ามันช้านะกว่าสติมันจะทำงานนะคิดไปแล้ว10เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่า ก, กันนั่นเลยนะเราทำงานแทนมนันดีกว่าก็คือไปดักจ้องความคิดเพราะจะให้สติมารู้เนื้อ้อย ก็จะร้อยสติมาทางานรู้ทันความคิดมันช้าหลายคนรู้สึกใจร้อนก็เลยทำเองซะเลยไปคอยดักจ้องความคิดเพื่อไม่ให้มันคิดยาวคิดมากเรื่องพอคิดทีไรเบรคมันห้ามมันอันนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้การปฏิบัติเนินช้านะเราต้อง เปิดโอกาสให้สติทำงานถึงแม้มันใหม่ๆ ม, มันจะทำงานช้างุ่มง่ามแต่นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สติเจริญแล้วเราต้องไว้ใจเชื่อมั่นว่าสติเนี่ยถ้าเราให้โอกาสมันมันจะทำงานได้เร็วขึ้นไวขึ้นก็เคยมีการทดลองนะกับหนูนะเอาหนูเนี่ยมาปล่อยในห้องเล็กๆ โดยที่อีกมุมหนึ่งของห้องเนี่ยก็มีอาหารวางเอาไว้แต่ว่ากว่าที่หนูเนี่ยจะไปถึงอาหารนั้นเนี่ยจะต้องผ่านทางยิดย่อยิเรวาวงกฎนะบางทีทางก็เป็นทางตันบางทีก็บางทีก็เป็นทางหล่อกว่าหนูเนี่ยมันจะลัดเลาะไปจนกระทั่งไปถึงอาหารเนี่ยใช้เวลา บางทีอาจจะเกือบชั่วโมงเลยเพราะว่าว ง, วงกดนี่มันซับซ้อนมากแต่ก็เพราะว่าถ้าให้หนูเนี่ยมันไปหาอาหารหรือให้มันเข้าไปในวงกฎบ่อยๆเนี่ยแม้เราจะเปลี่ยนจุดที่วางอาหารนะเวลาผ่านไปผ่านไปนไ ป, ประสบการณ์ที่มากคือจะทําให้หนูเนี่ย สามารถจะพบอาหารได้ไวขึ้นยิ่งให้โอกาสมันมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะพบอาหารเนี่ยได้ไวขึ้นทำเวลาได้น้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้หนูเนี่ยนะมันมีความสามารถในการเรียนรู้สติเราก็เหมือนกันนะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ไวนะใหม่ๆเนี่ยกว่ามันจะตามหาความคิดเจอนี่ โอ้ยนานนะแต่ถ้าเราให้โอกาสสตินะโดยการเดินโดยการนั่งโดยการปฏิบัติบางทีอาจจะเป็นวันสองสามวันนะสติเนี่ยมันจะตามหาความคิดได้ไวขึ้นรู้ทันความคิดได้ไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคิดไปปายเก้าเรื่อง ถึงค่อยรู้ทันเกิดความรู้สึกตัวตามมาแต่ถ้าเราทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะมันจะรู้ทันได้ไวจะเรียกว่ามันตามหาจิตก็เจอเจอ ไ, ได้จากจิตที่มันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปหลงเข้าร้อข้ขพงเนี่ยจิตของเราเนี่ยกว่าสติจะตามหาจิตเจอนี่โอ้นานและพาจิตกลับมาอยู่ยกับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวนี่นาน แต่ถ้าเราให้โอกาสเขาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสติจะตามหาจิตได้เจอได้ได้ไวขึ้นบางทีไหลหรือเข้าไปในความคิดแค่เรื่องสองเรื่องไม่ทันจะถึงเรื่องที่สามเลยก็กลับมีสติรู้ตัวแนละ้วตอนหลังนี้คิดไม่ทันจบเรื่องเลย ก็รู้เนืรู้ตัวแล้วอันนี้มันคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยพบเลยนะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้สติมันทำงานไม่ต้องไปแย่งงานของสติทำให้โอกาสเขาไว้ใจเขาแล้วเขาจะตามหาจิตได้ไวจิตที่มันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในปางความคิดเนี่ย แล้วจะพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ลองนะทำนะจะว่าเป็นการบ้านก็ได้เมื่อวานนี้กใ็ให้ให้เราเนี่ยอนุญาตให้ความคิดหรืออารมณ์ต่ตตางๆเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ไปห้ามไม่ไปกดไม่ไปผักสายมันแต่ครนี้ลองทําอีกขั้นตอนก็นคือว่าให้โอกาสสติได้ทํางาน มันจะคิดไปกี่เรื่องเดี๋ยวมันในสุดก็จะรู้ตัวเองแล้วการรู้ตัวก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับหนูที่มันหาอาหารได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อแม้วงกฎนี่มันจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตามเอาคำนี้พูดทานีีนะ